Oh. เศษนะของสันติภาวันเป็นวันคบรอบปีการก่อตั้งญาติโยมที่มาที่นี่ในวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าแพทยทั้งหมดเนี่ยหรือทุกท่านเลยก็ได้เคยเป็นผู้กดนุนอุปกระถัมสันติภาวันบางท่านก็บริจาคทรัพย์บางท่านก็บริจาคสิ่งของอาจจะรวมถึงยาหรือวัคซีนเพื่อช่วยพิสุอาพาธที่ มาทมนักที่สันติภาวนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าโน้โมนานะนะที่จริงไม่จเพาะที่สุอาภาหรอกนะแม้พาร์ทที่เจ็บป่วยไม่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ไหนก็สมควรที่เราจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลตามกำลังเราจะการช่วยด้วย วัตถุสิ่งของแล้วเนี่ยการไปให้กำลังใจด้วยการเยี่ยมเยียนอาจจะในฐานะจิตอาสาหรือมิสหายผู้เป็นห่วงเพื่อนร่วมทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรกระทำาการไปเยี่ยมผู้ป่วยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งนะไม่ว่าผู้ป่ว ย, ยจะเป็นพระหรือว่าครือข่า มันเป็นทั้งการให้กาลังใจให้กับผู้ป่วยแก็เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยโดยเพพาะเมื่อเราย้อนกลับมามองตัวเราเองถ้าเรามองเป็นเราก็จะรู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยหรือเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักนะว่าการที่ตัวเองเนี่ยยังมีสุขภาพดีมีกาลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่โดนทุกขเวทนาบีกคันเนี่ยถัว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ก็เกิดมาสุขภาพดีม า, า, าตั้งแต่ต้นเลยแล้วเราคิดว่าการมีสุขภาพดีนี่มันเป็นของตายที่อยู่กับเราไปตลอดยิ่งคนที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยนี่ จะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะว่าการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันเป็นโชคและมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งด้วยผู้คนเนี่ยคอยแสวงหาความสุขจากที่นั่นที่นี่ฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีนั่นมีนี่มีเงินมีทองมีโชคมีลาดถูกัตเตอรี่มีรถมีบ้านหรือมีคู่รักคู่ครองหรือมีตำแหน่งสูง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยังไม่มีแต่มองข้ามสิ่งที่มีตอนนี้นะเรามักจะมองข้ามสิ่ง ท, งที่สิ่งที่ดีที่เรามีอยู่ตอนนี้ซึ่งมันที่น่าเสียดายมากและสิ่งหนึ่ ง, งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะส่วนคนส่วนใหญ่คือการมีสุขภาพดีคือไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งก็คือส่วนใหญ่ของพวกเราที่นี่ตอนนี้เมื่อกรตามที่เราตระหนักว่า การที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันเป็นโชคมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความพอใจในชีวิตได้มากขึ้นแต่การที่เราจะตระหนักว่าการไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นโชคมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่มีคุณค่ามากเนี่ยเราจะตระหนักมับนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้เคยสัมผัสกับความเจ็บป่วย ถ้าเราได้สบายความเจ็บป่วยเนี่ยหรือเคยเป็นปวดน้นปวดนี่เราจะรู้สึกเลยนะว่าโอ้ตอนนี้การที่ฉันไม่ปวดหัวปวดท้องไม่ปวดหลังปวดเอวการที่ฉันยังสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนไดน้การที่ฉันยังกินง่ายถ่ายคล่องเป็นความสุขแล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งด้วยแล้วคนที่ไม่ถนัดตรงนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองป่วยขึ้นมา ไม่ต้องรอให้เป็นโควิดนะนะเป็นโรคอื่นด้วยก่อนด้วยก็ได้ก่อนก็ได้จะรู้สึกเลยนะแม้กระทั่งการหายใจได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดเนี่ยเป็นโชคแล้วละ่ะการที่หัวใจเรายัางเต้นเป็นปกติการที่ปอดเรายัางทางานได้ดีการที่เรายัางเดินได้สะดวกหรือบางทีก็วิ่งได้ด้วยเนี่ยโอ้นี่มันเป็นโชคเป็นความสุขอย่างยิ่ง และส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยถ้าว่าเราไม่เจอความเจ็บป่วยเองก็เกิดจากการที่เราได้ไปเจอคนเจ็บคนป่วยตามโรงพยาบาลบ้างหรือที่นี่บ้างตอนนี้เมื่อเราตระหนักว่าหรือสํานึกว่าการมีสุขภาพดีที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโชคนอกจากมันจะทำให้เราสึกพอใจกับชีวิตได้มากขึ้นไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายว่าทําไมฉันไม่มีโน่นทําไมฉันไม่มีนี่ ซึ่งมักจะเป็นปัญหาของคนปัจจุบันไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็ทุกข์ไม่มีนั่นมีนี่ไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็รู้สึกสัดเพาะรู้สึกน้อยน้ดต่าใจแต่พอเราตระหนักว่าโอ้ยเราแค่เราไม่มีสุขภาพแค่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันก็เยี่ยมแล้วล่ะไม่ต้องมีอย่างอื่นก็ได้แค่มีสุขภาพดีกินอิ่มนอนอุ่นนะมันก็เป็นสิ่งที่นราจะพึงพอใจแล้วคราวนี้มันจะดียิ่งขึ้นนะถ้าว่าเรา มองเห็นว่าเมื่อเมื่อเรามีโชคแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้โชคให้เกิดคุณค่าขึ้นมาไม่ใช่แค่เออสุขพอใจว่านี่ฉันโชคดีที่ไม่เจ็บไม่ป่วยรู้สึกพอใจกับชีวิตแล้วจบแค่นั้นมันไม่พอหรือว่าเรายังทำอะไรได้มากกว่า น, นั้นคือเมื่อเรารู้ว่าเรามีโชคล้วก็ควรจะใช้โชคให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างไรนะก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ ใช้ความมีสุขภาพดีของเราเพื่อการทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเช่นศึกษาหาความรู้แข่งขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวให้มีความสุขและเลี้ยงผู้อื่นให้มีความสุขด้วยแทนที่จะใช้สุขภาพที่ดีนั้นไปในทาง เที่ยวเตะสนุกสนานมีคนจนไม่น้อยเนี่ยพอสุขภาพดีมีกําลังวังช้าก็ก็ใช้สิ่งนั้นไปกับการหาความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งเสรสนุสนานไม่ได้คิดที่จะทําสิ่งดีๆให้มิดหรือมีประโยชน์เลยแต่นอกจากการเลี้ยงตัวให้มีความสุขและเลี้ยงปุ๋ยให้มีความสุขแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะใช้ช่วยให้เกิดประโยชน์คือการทําความดีสร้างบุญสร้างกุศล ทำเพื่อให้แก่ส่วนร่วมและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะในช่วงที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยให้ถือว่าธรรมชาติมอบโชคนี้ให้กับเราเพื่อเราได้ทําสิ่งหนึ่งนะคือการเรียนรู้เกี่ยวความจริงของชีวิตเพราะสิ่งนี้สําคัญสําหรับการที่เราจะนะไ ป, ไปเผชิญกับบททดสอบและสิ่ง ท, าท้าทาย หรือผู้ยานก็คือความทุกข์ในวันข้างหน้าในการที่เราไม่มีความทุกข์ในวันนี้เนี่ยถือว่าเราโชคดีแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะมีชีวิตที่ราบรื่ออย่างนี้ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกับความขรุขระนะเส้นทางที่ราบรื่นะถึงจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็เป็นทางที่อันตราย อย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยท่านจะบอกว่าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ววันนี้ถ้าไม่ทุกข์ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าก็อย่าประมาทหรืออย่าตายใจหรือชะล่าใจเพราะว่าความทุกข์มันรออยู่ข้างหน้าและเราจะรับมือกับความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิต ธรรมชาติให้โชคนี้กับเราเนี่ยเพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะรับมือกับความทุกข์ในวันข้างหน้าเตรียมตัวเตรียมใจนะอย่างนี้คือการได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตมันคล้ายๆกับสมัยที่สมัตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นเรียนมัธยมเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ย ให้หยุดเรียนแต่หยุดเรียนเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อเตรียมตัวสอบนะแต่ก็มีนักเรียนหลายคนนะพอหยุดเรียนนะก็ดีใจไปเที่ยวไปดูหนังไปเล่นสนุกสมัยนะั้นเรเล่นสนุกกันบางทีเล่นมา ก, ก็ไปเที่ยวห้างไปเล่นเกมไปมั่วสุมกัน เวลาหยุดเรือเนี่ยเขาให้ไปก็ให้เพื่อจะไปเตรียมตัวสอบแต่ว่ากลับไม่ทำอย่างนั้นเที่ยวพอถึงเวลาสอบก็สอบตกซ้ำชั้นให้การที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยนะการที่เราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหรือปลอดจากความทุกข์นานาชนิดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยใช้โชคนั้นเนี่ยไปในการหาความสุขสนุกสนาน แต่เพื่อเตรียมตัวสอบนะแต่ไม่ใช่สอบอย่างที่เราเจอในโรงเรียนเมื่อเราอยู่โรงเรียนเนี่ยเรามีหน้าที่เรียนเรามีไน้ศึกษาความรู้เรียนวิชาการแต่ถึงแม้เราจะจบมาแล้วเนี่ยแม้จะจบมานานเนี่ยแต่เราก็ยังมีหน้าที่ต้องเรียนรู้แต่เราไม่ได้อาจเราจะไม่เรียนรู้วิชาการแต่เรียนเรียนเรียนรู้วิชาชีวิตอันนี้คือหน้าที่เลยเรียนรู้วิชาชีวิต เพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะได้พร้อมสอบเมื่อวันนั้นมาถึงวิชาทุกวิชาเนี่ยเรียนมาต้องมีการสอบจะเป็นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์วิชาชีวิตเหมือนกันนะมันมีการสอบแล้วก็มีสอบหลายแบบสุดท้ายคือสอบไล่ สอบแรกของวิชาชีวยคืออะไรนะสอบแรกของวิชาชีวิ ค, ออนะวชชวคือตอนที่วารสุดท้ายของเรามาถึงถ้าเราเรียนรู้วิชาชีวิตยอย่างจริงจังใส่ใจเมื่อวารสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราก็จะสอบผ่านสอบผ่านนี่คือเลื่อนชั้นแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้วิชาชีวิตทั้งที่มีโอกาสที่จะเรียนเพราะว่าสุขภาพดี กำลังวังชาแต่เอาโชคอย่างนั้นเนี่ยไปเที่ยวสนุกสนานมันก็ไม่ต่างจากนักเรียนที่ครูให้หยุดเรียนแต่ว่าไม่เรียนไม่เตรียมตัวเที่ยวล้นลาถึงเวลาก็สอบตกพิชชาชีวิตเนี่ยนะสอบไล่เนี่ยมันไล่จริงๆนะคือถ้าไม่ได้ก็ตกเลยตกนี่คือตกอบาย เมือ่อวาระสุดท้ายมาถึงแล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมตัวเลยที่จะเรียนรู้วิชาชีวิตก็สอบตกอตกอบายคือไปอบายแต่ถ้าเราสอบผ่านนะเราก็เลื่อนชั้นไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นถ้าการสอบไล่ของวิชาชีวิตเนี่ยนะมันไม่เหมืมอนกับการสอบไล่วิชาอื่นนะหรือการสอบไล่ของวิชาการวิชาชีพวิชาการเนี่ย วิชาไหนก็ตามเนี่ยสอบตกก็ซ้ำชั้นนะไม่ได้ตกจริงนะแค่ซ้ำชั้นแต่วิชาชีวิตนี่สอบตกเนี่ยมันตกเลยนะนั่นคอทีหนึ่งก็ที่2คือว่าวิชาที่เราเรีย น, นอยู่เรียนเนี่ยสอบไล่เ็ามีการบอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าว่าจะสอบเมื่อไรแต่สอบวิชาชีวิตนี่เขาไม่บอกเลยไม่มีการบอกว่าจะสอบเมื่อไรอาจจะพรุ่งนี้อาจจะเดือนหน้า อาจจะสิบปีข้างหน้าเลือก จ, จะคืนนี้ก็ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลวา่าจะสอบผ่านต้องพร้อมตลอดเวลาถ้าจะสอบคืนนี้ก็พร้อมที่จะรับมือกับข้อสอบแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามความจากต่างประการหนึ่งนระหว่างการสอบที่เราเคยเจอในโรงเรียนในหมายทลัยกับการสอบของวิชาชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าสอบ ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยสอบไม่ได้เนี่ยสอบใหม่สอบข้อหมายใช้ไม่ได้ออาสอบใหม่สอบประโยคก้าไม่ได้สอบใหม่สอบสมัครงานไม่ได้ตกสอบใหม่มีโอกาสแก้ตัวแต่สอบวิชาชีพเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวนะถ้าสอบตกอ่ะคือตกก็ตกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครที่เรายังมีสุขภาพดีมีกําลงวังชา และยังมีเวลาอยู่จะใช้สิ่งเหล่านี้ไปเพื่อการสนุกสนานหรือแม้แต่เพื่อการหาเงินหาทองแค่นั้นเพราะว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมตัวสอบไล่วิชาชีวิตด้วยเราเกิดมาเพื่อมีหน้าที่เรียนรู้วิชานี้อยู่ที่ว่าจะมีใครบอกเราหรือเปล่า เรียนรู้วิชานี้คือเรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตเช่นเรียนรู้ว่าเนี่ยคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีความพัดพลาดสูญเสียนี่คือความจริงของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ซึมซับรับมารับใส่ใจจนเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะนําไปสู่การเติมตัวเติมตัวสอบไล่วิชาอื่นเขาอาจจะ เติมตัวด้วยการอ่านหนังสือท่องจําแต่ว่าเตอมตัวสาแวิชาชีวิตนี่นอกจากการฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เข้าใจถึงความจริงของชีวิตแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการไข้ควรประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมาด้วยใคร่ควรจนเห็นจนเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยมีขึ้นมีลงไม่จีรังยั่งยืนแต่แล้วก็เตรียมตัว ลงมือเช่นมันทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลทำหน้าที่ที่เรามีเดยเพราะกับคนที่อยู่รอบตัวเรากับพ่อแม่กับคู่ครองกับลูกหลานเพราะถ้าเราไม่ทำหน้าที่เหล่านี้หรือเมื่อเราไม่ทำความดีเมื่อวารักสุดท้ายมาถึง เราจะทุกข์ทรมานมากมันจะมีการต่อสู้ขัดขืนกับความตายฉันยังไม่อยากตายฉันอยากจะกลับไปทําความดีฉันอยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่หรือรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลลูกให้ดีพอแค่น้นเราหมั่นทําความดีมมมสร้างบุญสร้างบุศน์ทำหน้าที่ แม่ขาดตกบกคร่องแม่ค้งคาอันนี้ก็ทาว่าเรามีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะสอบไล่เมื่อวันนั้นมาถึงแต่ประการสุดท้ายที่สาคัญเนี่ยประการที่3มที่สาคัญเนี่ยนั่นคือการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าถ้าเรายังห่วงทรัพย์ยังห่วงทรัพย์ยังห่วงลูกยังห่วงงาน ยังห่วงพ่อแม่ถึงเวลาจะตายมันก็ทุกข์ทรมานมากเกิดอาการที่เรียกว่าตายตามไม่หลับพ่อห่วงลูกห่วงคนรักห่วงพ่อแม่หรือบางคอห่วงทรัพย์หรือบางคนอาจจะมีความโกรธมีความแค้นมีความพยาบาทใครบางคนซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนไกลอาจจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนสนิท อาจจะเป็นคนรักถ้ายังปล่อยวางความโกรธความแค้นพยาบาทรวมทั้งความสึกผิดต้องปล่อยวางไม่ได้นี่มันทรมานมากเลยนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยในเวลาสุดท้ายนี่เขาทรมานเขากระสับกระส่ายเขาทุรนทุรายนี่ไม่ใช่เพราเขาเจ็บปวดนะเจ็บปวดนี่บางทีมอร์ฟีนนี่เอาอยู่แต่บางคนให้มอร์ฟีนไปแล้วนี่ก็นิ่งได้แค่ สิบห้านาทีแล้วก็กระสับกระส่ายใหม่เพราะเขายังมีความตั้งคารในจิตใจอาจจะห่วงคนรักหรือเกลียดโกรธคนชังห่วงคนรักก็ทำให้ตายไม่ไม่สงบนะโกรธเกลียดคนที่เคยมีเรื่องอาฆาตบาดหมางกันก็ก็ตายไม่ดีเหมือนกันคนเราเนี่ยเมื่อ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายเนี่ยมันควรจะตา ย, ยางสงบการตา ย, ยางสงบนี่เป็นไปได้และเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะเมื่อถึงครจะตายเนี่ยก็ควรจะตา ย, ยางสงบแต่คนจนน้อย น, น้อยเนี่ยตายอย่างสงบไม่ได้เพราะเขายังวางไม่ลงทั้งวางสิ่งที่เคยให้ความสุขกับตัวเองลูกคนรักทรัพย์สินหรือสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับตัวเองเช่นความโกรธ ความอาฆาตเพยาบารอันนี้เพราะเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้เตรียมตัวที่จะปล่อยที่จะวางเพราะเขาใช้ชีวิตมาตลอดเนี่ยด้วยความยึดมั่นถือมัน่นแต่ทุกวันนี้เนี่ยกระแสะสังคมนี่มันก็ฝึกให้เรามันก็ยั่วยุให้เราเนี่ยยึดมั่นถือมัน่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางโดยเพราะทรัพย์สมบัติแล้วก็รวมไปถึงคนรักรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ใกล้ ในทางเดียวกันอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นความโกรธความแค้นและความรู้สึกผิดเนี่ยก็จัการกับมันไม่เป็นทั้งที่มันก่อความทุกข์มันเผารลนใจมันกรีดแทงใจมันบีบคั้นใจแต่ก็ไม่รู้จักวางมันกลับไปยึดกลับไปแบกกลับไปถือมันเอาไว้กรดแล้วไม่รู้จักให้อภัยรู้สึกผิดแล้วไม่รู้จักปลดเปื้องให้มันคลี่คลายไปจากใจ ดีเพราะเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ในการทําสิ่งนี้ฉนั้นเท่าไรมีสุขภาพดียังไม่เจ็บไม่ป่วยยังมีการระวังชาหรือไม่จะเจ็บป่วยแต่ว่ายังมีเรี่ยวแรงที่จะทําอะไรเนี่ยอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการฝึกฝึกใจนะถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางใจจะทํากันได้ไม่ต้องมีการเตือนตนอยู่เสมอนะ ว่าในสุดเราต้องตายบางทีเราอยู่เป็นคนลืมตายอายุมากแล้วก็ยังเยังอยู่เป็นคนลืมตายแต่เราเนี่ยพยายามหมั่นเตือนใจหมั่นเตือนตนอยู่เสมอว่าในสุดเรากต้องตายการหมั่นเตือนเตือ น, น, นใจเรื่องมรณสติซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิตนะที่เราต้องเรียนที่เราต้องฝึกฝนอยู่เสมอ แต่ว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะมันจะมีการสอบหรือว่าสอบซ้อมก็ได้มีการสอบเล็กๆน้อย ๆ, ๆเกิดขึ้นก่อนที่จะสอบไล่สอบครั้งใหญ่ก่อนจะสอบไล่เนี่ยคือความเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อป่วยหนักเมื่อมีทุกขเวทนาแรงกล้าแล้ก่อนที่เราจะเตรียมตัวพร้อมนะสำหรับความตายเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสอบความเจ็บป่วยก่อนเวลาที่เรามีเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะควรใช้ไปควรใช้เพื่อการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่าไปคิดว่าการที่เรามีสุขภาพดีมีกะลงวังชาเนี่ยมันเป็นของตายที่จะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้พูดเี่ยกับคนหนุ่มสาวคนที่เป็นสววแล้วนี่อันนี้เขาเห็นชัดแล้วแหละ ว, ว่าให้ความมีสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นของ ชั่วคราวเชนั้นแหละแต่คนหนุ่มสาวนี่ไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่เพราะเขาเกิดมาเพราะ ก, การมีสุขภาพดีแล้วก็อยู่กับมันมา น, นานจนที่ว่ามันจะอยู่เข้าไปตลอดเลยประมาณธรรมชาติให้เรามีสุขภาพดีเนี่ยเพื่อให้เรามีเวลาในการตัดเตรียมที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ในบังข้างหน้าก่อนจะถึงความตายเนี่ยเราก็จะต้องเจอความเจ็บป่วย เราต้องแล้วเราควรจะใช้โชคเนี่ยเพื่อการเตรียมตัวรับมือกับความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าด้วยจะมองอย่างนี้ก็ได้นะว่าการที่เรามีความปกติสุขในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่ได้มาเปล่าๆไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆภาษาฝรั่รรงเรียกว่า no free lunch ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีฟรแม้ข้อมูลที่เราใช้ Facebook ที่เราใช้ฟรี r e e นี่ น, นะมันไม่ฟรีจริงนะเราจ่ายด้วยข้อมูลเขาจะเก็บข้อมูลของเราไปเยอะเลยนะเราไม่ได้ใช้ f Facebook ฟรี r e e เราไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียฟรีฟรแม้เขาไม่เก็บเงินแต่เราต้องจ่ายจ่ายความเป็นส่วนตัวของเราจ่ายข้อมูลของเราให้เขาเช่นเดียวกันนะการที่เรามีสุขภาพดี หรือการที่เรามีความสุขจากการที่ได้ได้เสพได้ใช้ได้บริโภคเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราจะต้องจะต้องจ่ายเพราะเขาเรียกว่ามีราคาที่ต้องจ่ายจ่ายเป็นอะไรนะจ่ายเป็นความทุกข์ความสุขในวันนี้เนี่ยเราต้องจ่ายในวันหน้าเป็นความทุกข์ เช่นความเจ็บความป่วยมันไม่ใช่เป็นของฟรีที่เราได้มาปเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราต้องจ่ายเป็นความทุกข์เป็นความเจ็บความป่วยความแก่ชาราเป็นความข้องขัดเราก็อย่าประมาทกับความสุขสบายในวันนี้ใช้โอกาสนี้เนี่ยเพื่อการฝึกจิตฝึกใจ รับมือความเจ็บป่วยในวันข้างหน้าก่อนที่เราจะต้องเจอกับวารสุดท้ายหลังจากนั้นการฝึกใจให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องมือสำคัญนะในการที่จะช่วยเราเนี่อรับมือความเจ็บป่วยในวันข้างหน้าได้หรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อย่าไปคิดว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วนี่หมอจะรักษาได้เดีย๋ยวไปคิดว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ยยานี่จะเอาอยู่บางครั้งยาก็เอาไม่อยู่นะแต่ว่าจิต ท, ที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยสามารถจะเอาอยู่ได้คุณหมอมาลาเคยเล่า ว, ว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งนะอายุสี่สิเป็นผู้ชายมะเร็งเนี่ยมันลามถึงกระดูกแล้วต้องรับมาฟีนเนี่ยปวดมากนะต้องรับมาฟีนเนี่ยทุกสามชั่วโมง แต่ตอนหลังเนี่ยรับไปได้แค่สองชั่วโมงก็ปวดมากอยากจะเอาอีกนะแต่หมอก็ให้ไม่ได้ให้มากไม่ได้ให้มากมก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าให้พอเพียงให้พอดีพอดีเนี่ยมันก็ช่วยได้คนไข้เนี่ยนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้หายใจก็ลําบากปากเนี่ยซีดตัวซีดไปมองเห็นแล้วก็ เห็ในใจนะก็เลยถามว่าเคยทำสมาธิไหมจะไม่เคยทำยังไงอ่ะคุณหมอก็กสอนนะหายใจเข้าพุดหายใจออกโทหายใจเข้าพุดหายใจออกโททำนานเท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้อังนั้นก็คุณหมอก็เลยชวนทำห้านาทีตอนห้านาทีแรกเนี่ยมันมีเสียงฟืดฟๆฟดฟ้า ฟ, ฟูฟ้ า, ฟ า, ฟาจากคนไข้เพราะว่า แกหายใจลำบากแต่ผ่านไป5นาทีเนี่ยเสียงก็เงียบปุณหมอนื้นว่าคนไข้นี่ยคงจะเลิกทำแนละ้วลืมตาอ้าวคนไข้ ย, ยังนั่งอยู่ยังนั่งซ ส, สมาธิอยู่ก็เลยทำต่อกันไปเรื่อยๆพวกคนไข้ทำไปถึง50นาทีนะพอทำเสร็จนี่นะลืมตาขึ้นมานี่เหมือนกับเป็นคนละคนเลยป่าเป็นสีชมพูสีหน้าแจ่มใส คนไข้ก็ประหลาดใจมากนะความปวดนี่มันทุดนเราไปเยอะเลยคุณหมอก็แปลกใจว่าไม่เคยทำสมาธิทำไมนั่งสมาธิได้นานแล้วนั่งได้ดีด้วยก็ได้คาตอบว่าแกเป็นคนที่มีสมาธิกับงานพอสมาธิกับงานมาใช้กับการตามลมหายใจมันก็ได้ผลเหมือนกันคนไข้ที่ต่อหลังเนี่ยแกใช้มอฟีน้อยมากนะก็ใช้เนี่ยสมาธิ ใช้พุโทโธเนี่ยในการรับมือความปวดถ้ากันทำได้ดีนะตอนหลังเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยหมอเนี่ยเห็นปอดเนี่ยประหลาดใจมากเลยนะคือปอดนี่เป็นสีขาวอะเอ็กซเรย์เนี่ยแต่คนไข้เนี่ยหายใจเหมือนกับปกติเลยคือรานุเอ็กซเรย์ผิดนะ เอกเรย์หมยก็เหมือนกันแปบลบว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันท่วมปอดมากเลยแต่คนไข้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอาการแบบนั้นเลยถามไปก็พบว่าคนไขน้แกหายใจนะที่บอกแกก็พยายามหายใจอย่างมีสมาธิเลยดูเหมือนกับว่าไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยนี่บางครั้งเนี่ยมอฟีนเอาไม่อยู่นะแต่ว่าสมาธินี่เอาอยู่คุณยายคนหนึ่งนะแก หกล้มเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาชนเศษแก่ปุณยายัยเศษหลังเนี่ยหกล้มกระดูกหักนะคุณยายนี่แกุ่มสติ ด, ดีมากบอกให้หลานนี่ลูกสะพายจัดทุระเรียบร้อยแล้วค่อยไปโรงพยาบาลก็ดูมันหักนะหมอต้องจัดต้องจัดกระดูกใหม่สมัยนั้นไม่รักษาสิสิปีก่อนนี่มันมันปวดมากปกติหมอนี่ต้องใช้ใช้ยาชา ยายบอกไม่ต้องใช้แต่กระดูเข้าที่เลยอ่าเจ็บมากนะแต่วยาแก็ไม่ร้องเลยแต่หน้าเขียวนะลูกสะภ้ายนะะเสร็จแล้วก็พึ่งสะพ้ายูสะภ้ายก็เท้านี่ยายไม่ปวดนะปวดสิแต่ว่ามันก็เป็นสัพท์ว่าเวทนาเราอย่าไปยุ่งกับมันยายก็ยายตอบแบบง่ายๆไปเนี่ยนะมันเป็นสัพท์เวทนา อ, อย่าไปยุ่งกับมัน อันนี้ก็ตรงกับที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดนะว่าความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเราไอ้ความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราความปวดมันมีไว้ดูไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็นอย่าไปยึดกับความปวดอย่าไปยึดความปวดเห็นมันอย่าเข้าไปยึดมันนะคุณยายเนี่ยแกใช้สตินะดูความปวดดูเวทานาที่ยายบอกว่านี่อย่ไปอย่าไปยุ่งกับมันคืออย่าไปยึดมันคนเราเนี่ยสังเกตว่าเวลาปวดเนี่ย ต้องไหนในใจจดจ่อตรงนั้นนะ่ะยิ่งปวดนะยิ่งจดจอ่อไอ้ตรงที่ไม่ปวดนี่ไม่สนใจนะเราไม่ชอบความปวดแต่ทําไมใจเราไปจดจ่อความปวดตรงนั้นเราเรียกว่าไปยึดแล้วแล้วพอไปยึดเข้านะมันไม่ได้แค่ปวดกายมันปวดใจด้วยใจที่ปวดเนี่มันทําร้ายเรายิ่งกว่าความปวดทางกาย ที่หลวงพว่อเหควาเคียบรอยเนี่ยความปวดไม่ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ปว ด, ดังหากพอไปไปยึดความปวดแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นผู้ปวดขึ้นมาอันนี้เราเข้าไปยุ่งกับมันคุณยายบอยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมันแค่เวทนานี่คุณยายใช่สตินะส ต, ติดูความปวดดูเวทนาปวดนะแต่ว่าเห็นความปวดไม่ใช่ไม่ปวดนะอันนี้เป็นวิชานะที่ช่วยเราให้รับรับมือความปวดได้ แต่ถ้ายิ่งเรามีปัญญานะมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจจนรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเรามันไม่มีตัวเราอยู่เลยมัน ม, มีแต่รูปกับนามเวลารูปมันปวดในความเป็นผู้ปวดมันไม่มีมีเรื่องเล่า ว, ว่าหลวงปู่บุดานั้นท่านไปถ่าเอานิ้วออกสมัยก่อนมันต้องเอาต้องพ่าเลยนะ ผ่านเสรท่านก็บอกหมอว่าเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแค่ยังชั่วแล้วหมอก็ถามว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอคนที่ผ่านว่ากับท่านยังป๋อบอกว่าปวดเลยหลวงปู่บอกปวดใช่ไหมปวดร่างกายฉันก็เหมือนคนทั่วไปแต่ว่าใจมันไม่ได้ปวดด้วยใจมาปนกันหลวงปู่ท่านเห็นแล้วว่าไอ้ที่ปวดเน่ยคือกายปวดไม่ใช่ฉันปวด มันไม่มีตัวฉันผู้ปวดเกิดขึ้นเพราะท่านเห็นแล้วร้อยมันไม่มันไม่มีกูมันมีแต่รูปแบบนามคนเราถ้ามีปัญญามก็มีกูมีกูนะกายเป็นของกูกายเป็นตัวกูพอกายปวดกูก็ปวดด้วยเกิดกูผู้ปวดขึ้นมาลุงปู่ท่านปวดนะแต่ว่ามันปวดแค่กายใจไม่ทุก ใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะใจไม่ได้ไปยึดเอาความปวดมาเป็นของกูหรือท่านมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวกูที่เป็นผู้ปวดตั้งแต่แรกนี่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือเอาง่ายๆเพียงแค่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่บกนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายมีพิ่คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะอายุแค่30เป็นมะเร็ง ก็เพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งชนิดที่หายยากเกิดขึ้นกับคนแก่หรือคนที่สบสูบบุหรีเป็นประจำเธอแค่30แล้วก็ไม่เคยสูบบุหรีเลยกว่าจะรู้นี่ก็ใช้เวลานานพอรู้นี่ก็กโกรธมากเลยนะโกรธหมอแล้วก็เหวี่ยงวีนใส่คนรอบข้างเพราะยอมรับไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยไปไปเข้าคอร์สฝึกสติแล้วก็เห็นใจของตัวเองนะว่าเนี่ย ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะใจมันทุกข์ใจมันทุกข์เพราะใจมไม่ยอมรับไม่ยอมรับโลกที่เกิดขึ้นแต่พอทําใจยอมรับได้นี่ความทุกข์มันเบาเลยนะความเจ็บความเจ็บความป่วยยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วทุกน้อยมากเธอผู้ ไ, ดไปดีเธอบอกว่าเนี่ยความจริงบางครั้งมันโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่มันโหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเราเอาไว้เธอทุกข์ใจเนี่ยเพราะไม่ยอมรับ และความทุกข์ใจก็ไปซ้ําเติมกายให้หนักแต่พอยอมรับได้ความทุกข์ใจมันเบาให้การฝึกใจให้ยอมรับโรคยอมรับความเจ็บป่วยเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะคนเราเนี่ยไม่ว่าเจออะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทําคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและเราจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราเตือนตัวเองอยู่เสมอก่อนที่ความทุกข์จะเกิดว่ามันเป็นธรรมดา อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยอภินันทปจว เ, เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจนลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรา ม, มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจนลงพื้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายปเป็นธรรมดาจนลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของเราของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันตามาเรียกว่าเป็นคาถาที่ช่วยบรรเทาทุกข์หรือว่าช่วยพาจิตออกจากทุกข์ได้ถ้าเราเราลิก อ, อยู่เสมอ ถึงเวลาเจอความเจ็บความปวยเจอความพัดผ้าเนี่ยเราจะลอยอมรับมันได้ง่ายขึ้นเพราะเราได้เรียนรู้มาตั้งแต่แรกว่ามันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้นเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วถึงเวลามันเกิดขึ้นเราจะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นและพอเรายอมรับมันได้ขึ้นเราก็จะทุกข์ใจน้อยลงและนั้นใครที่เรามีเวลาไม่ว่ายัางเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่หรือว่ายัางมีกำลังวังชายอยู่ หรือแม้จะเข้าสู่ความเป็นผู้สูงวัยสวเวลาที่มีเนี่ยควรใช้ไปเพื่อการนี้ด้วยเพื่อการฝึกจิตฝึกใจเพื่อมีวิชาในการรับมือกับความเจ็บป่วยซึ่งเป็นการสอบสอบกลางเทอมก่อนที่เราจะไปเจอการสอบไล่และถ้าเราสามารถจะรับมือความเจ็บป่วยได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ถึงเวลาที่เราต้องสอบไล่ เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเราจะสอบผ่านวิชาชีวิตที่เราเรียนมาทั้งหมดมีไว้เพื่อการนี้แหละอย่างที่หลวงปู่ดูท่านเคยไปเยี่ยมลูกศิษย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระอาวุโสก็ไม่ได้คุยมากนะท่านบอกเพียงว่าเนี่ยในการปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อตอนนี้แหละคือตอนที่ป่วยหนักและกำลังเข้าสู่ระยะสุดท้าย เพราะนั้นก็อย่างอย่างที่ธรรมาบอกนะหยุดเรียนเนี่ยนะเพื่อเตรียมตัวสอบนะไม่ได้หยุดเรียนเพื่อไปเที่ยวเพื่อรัลลาเห็นการที่เรามีสุขภาพดีมีกําลังวังชามีวิธิีลาบรื่นอย่าไปเพลิดเพลินกับมันมากจะใช้มันเพื่อความสุขสนุกสนานหรือเพื่อแม้กระทั่งเพื่อการทําหากินอย่างเดียวใช้มันเพื่อการเตรียมตัวสอบนะไม่ว่าจะสอบกลางภาคหรือว่าสอบไรก็ตาม ตรรมาก็ใช้วเวลาพอสมควรนะก็ข อ, อยุติการาสแสดงทำเต็มเพยงเท่านี้น ะ, ะกอเจริญพร